มีพระพุธธทธทธิบายให้ตั้งสติด้วยอนุปัสสนาคือโดวยวิธีตามดูหรือดูตามกายเวทนาจิตธรรมโดยตรงก็หมายถึงที่เป็นปัจจุบันนรรม ธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสติในสติปัฏฐานนี้จึงมุ่งถึงสติในปัจจุบันธรรม ธรรมะที่เป็นปัจจุบันอันคําว่าปัจจุบันธรรมที่นํามาใช้ในทีน่นี้ก็หมายรวมถึงทั้งสี่นั้นนั่นแหละคือทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมรวมเรียกว่าปัจจุบันธรรม ธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือเรื่องที่เป็นปัจจุบันธรรมคำนี้จึงเป็นคำคลุมถึงทั้งสี่และเมื่อจำแนกปัจจุบันธรรมในที่นี้ออกเป็นสี่ ธรรมธรรมข้อที่สีนั้นจึงมีความหมายถึงภาวะหรือว่าเรื่องที่บังเกิดขึ้น เป็นไปอยู่ในจิตปรากฏเป็นความคิดเป็นสิ่งที่คิด เป็นสิ่งที่ประกอบอยู่ในจิตในความคิดอันเป็นภาวะในจิตซึ่งทุกๆคนมีอยู่ เป็นส่วนดีก็มีเป็นส่วนชั่วไม่ดีก็มีเป็นกลางกลางก็มีที่เป็นส่วนดีนั้นคือเป็นกุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลทั้งหลาย เป็นต้นว่าสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมัน่นเมตตา ความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขกรุณาความสงสารคิดช่วยให้พน้นทุกข์หรือกุศลเจตนาความตั้งใจความจงใจที่เป็นกุศลทั้งหลาย ในการบุญการกุศลทั้งหลายการสำเร็จด้ทานบ้างในศีลบ้างในภาวนาบ้างเหล่านี้เป็นกุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศล หรือว่าจะรวมเข้าว่าเป็นกุศลละมูลมูลของกุศลทั้งหลายคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงก็ได้ส่วนที่เป็นตรงกันข้าม คือส่วนที่ชั่วที่ไม่ดีก็คืออกุศลละธรรมทั้งหลายธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นต้นว่านิวรณทั้งห้ากามาฉันความพอใจรักใคร่ในกาม คือรูปเสียงกลิ่นรสพทธะพระที่น่ารักใค่น่าปรารถนาพอใจทั้งปวงพยาบาทความกระทบกระทั่งโรธแค้นขัดเคืองจนถึงมุ่งร้ายหมายทำลาย ทีนมิทธะความง่วงงุลเคลื่อนปุถุจติคุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคัญวิจิกิจช้าความเคลื่อบแผลงสงสัยซึ่งสรุปเข้าในกิเลสกองราคะหรือโลภะกองโทสะกองโมหะ อันเป็นอักุศลละมูลมูลของอังกุศลทั้งหลายส่วนที่เป็นกลางกลางนั้นก็คือเป็นความคิดความนึกเรื่องต่างๆไปโดยปกติธรรมดา ไม่เป็นความดีไม่เป็นความช่วยยางไรเช่นความคิดที่จะธนุบำรุงกายอาบน้ำชำระกายความคิดที่จะบริโภคอาหารขายสอย เรื่องนุ่งหมที่อยู่อาศัยอยากแก้ไข่ต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วๆไปสำหรับที่จะทะลุระบรุงกายหรือว่าสำหรับที่จะประกอบอาชีพการงาน ไปในทางที่ถูกที่ชอบโดยปกติเหล่านี้ก็เป็นอัพยากัตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆไม่ใชดีไม่ใช่ชั่วรวมเข้าก็คือ ธรรมะทางหลายดังกล่าวที่บังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในจิตนี่แหละคือธรรมะอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่สี่ซึ่งทุกคนก็มีธรรมะดังกล่าวนี้บังเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นไปอยู่ในจิต เป็นเรื่องนั้นบ้างเป็นเรื่องนี้บ้างอยู่เป็นประจำมาถึงข้อสามคือจิตก็เป็นธรรมชาติที่ทุกคนมีอยู่ เป็นสิ่งที่ไม่มีสรีระสันฐานมีคู่หาคือกายนี้เป็นที่อาศัยแม้ว่าไม่มีสรีระสันฐานแต่ทุกคนก็รู้ว่า ทุกคนมีจิตใจก็โดยรู้จักจิตใจที่ตัวความรู้ที่ตัวความคิดของตนเองนี่เองเพราะจิตใจนี้ เป็นตัวถอดรู้และมีลักษณะที่รู้ที่คิดมันความรู้ความคิดนี้เป็นสิ่งที่อาศัยกันจะกล่าวว่า คิดก็คือรู้รู้ก็คือคิดก็ได้เพราะว่าที่ปรากฏเป็นรู้ขึ้นมาก็ด้วยความคิดและที่ปรากฏเป็นความคิดก็ด้วยความรู้เพราะว่า ใครจะคิดในสิ่งที่ไม่รู้นั้นไม่ได้จะคิดได้ในสิ่งที่รู้เท่านั้นและความรู้ก็เช็นเดียวกันจะปรากฏหรือจะแสดงเป็นความรู้ขึ้นมาได้ก็โดยความคิด พะฉะนั้นคิดกับรู้นี่จึงเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันและทุกๆคนก็ย่อมรู้ความคิดรู้ความรู้ของตนเองตนรู้อะไรตนคิดอะไรก็ย่อมรู้ ว่าเรากำลังคิดเรากำลังรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแม้ไม่มีสรีระสันฐานทุกคนก็รู้จิตใจของตนเองได้ที่ความรู้ความคิดดังกล่าว และนอกจากนี้ย่อมรู้จิตของตนว่าเป็นอย่างไรจิตมีราคะความติดใจยินดี หรือโลคะโลภะความโลภหรือว่าจิตมีโทสะโกรธแค้นขัดเคืองหรือว่าจิตมีโมหะคือความหลงไหลก็ย่อมรู้ว่าจิตของเรา เป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าจิตไม่มีราคะโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคือกำลังสงบก็ยมรู้จิตของตนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เช่นเดียวกันและ เวทนาอันเป็นข้อที่สองเันได้แก่เป็นความรู้อย่างหนึ่งของจิตนั่นแหละซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข มันเป็นไปทางกายเป็นไปทางจิตเองที่มันเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ทุกคนก็รู้เมื่อความเย็นมา สัมผัสกับร่างกายหรือความร้อนมาสัมผัสกับร่างกายซึ่งทำให้เป็นสุขบ้างทำให้เป็นทุกข์บ้างหรือแม่เลือบยุงมากัด ที่ร่างกายทำให้รู้สึกแสบคันเป็นทุกข์ซึ่งเป็นทุกขเวทนาทางกายทุกคนก็รู้หรือ เมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรทางตาทางหูที่นำให้ไม่สบายใจหรือทำให้สบายใจอันเป็นสุขเป็นทุกข์ทางใจทุกคนก็รู้หรือว่า สิ่งที่มาประสบพบผ่านดังกล่าวทางกายบ้างทางใจบ้างอันเป็นกลางๆไม่พอจะให้เป็นสุขไม่พอจะให้เป็นทุกข์ก็เฉยๆซึ่งก็มีอยู่เป็นอันมาก ก็เป็นเวทนาเหมือนกันเป็นเวทนาที่เป็นกลางๆไม่เกิทุกข์ไม่เกิสุขเราเป็นความรู้รู้ถึงความสัมผัส นั้นทางกายทางใจแต่ว่าไม่พอที่จะให้เป็นสุขไม่พอที่จะให้เป็นทุกข์ก็เฉยๆที่เรียกว่าเป็นกลางๆทุกคนก็รู้มาถึงข้อที่หนึ่งคือกายเอง คือร่างกายอันประกอบด้วยธาตุที่เป็นวัตถุต่างๆในน้ำไฟลมที่ทุกๆคนมีอยู่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำาแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้ทุกคนก็รู้ สำหรับร่างกายที่เป็นอวัยวะภายนอกนั้นทุกคนก็เห็นด้วยตาได้ส่วนที่เป็นอวัยวะภายในภายในหนังหุ้มทุกคนไม่เห็นด้วยตาแต่ก็รู้ได้พิสูจน์ได้ อย่างเอ็กซเรสส่องดูได้เห็นอ ว, วัยวะภายในต่างๆร่างกายนี้ที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ ที่ผัดเปลี่ยนอิริยาบถยืเนเดินนั่งนอนอันเป็นอิริยาบถใหญ่ประกอบด้วยอิริยาบถเล็กน้อยรวมเข้าก็เป็นอาการ31หรือ32 รวมเข้าก็เป็นธาตุสี่เมื่อธาตุสีนี้ยังคุมกันอยู่ก็เป็นร่างกายที่ยังดำรงชีวิตเมื่อธาตุสีนี้แตกสลายก็กลายเป็นศพต้องนำไปเผาไปฝังเพราะฉะนั้น กายเวทนาจิตธรรมหรือว่าธรรมจิตเวทนาและกายทั้งสี่นี้จึงเป็นอัตภาพคือสมมติบัญญัติว่าเป็นอัตภาพ เป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วกายเวทนาจิตธรรมทั้งสีน่นี้ทุกทุกคนที่ยังดำรงชีวิตยอยู่ ย่อมประกอบกันอยู่ย่อมเป็นไปอยู่ทุกขณะและก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไป หากจะจับเอาธรรมะข้อที่สี่ขึ้นเป็นต้นคือเอาเรื่องหรือเอาสิ่งเอาภาวะที่มันเกิดขึ้นในจิตเมื่อภาวะหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตเป็นอย่างไรจิตเอง ก็เป็นไปตามและเวทนาก็เป็นไปตามกายเองก็เป็นไปตามยกตัวอย่างเมื่ออากุศลธรรมมันเกิดขึ้นในจิต เป็นโทสะพยาบาทจิตเองก็เป็นจิตที่ประกอบด้วยโทสะพยาบาทเป็นจิตที่ร้ายเวทนาเองก็ต้องเป็นทุกข์คือเป็นความเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจ ร้อนรุ่มไปตามจิตอันประกอบด้วยโทสะพยาบาทกายเองก็วิปริตแปรปรวนไปตามดังเช่นอาการร่างกายของคนโกรธแสดงออกมาทางสายตาทางหน้าทางอายวะร่างกาย ทางวาจาดังอาการของความโกรธทั้งหลายที่ทุกๆคนก็เห็นแม่ตนเองก็ย่อมรู้ตนเองนี่ ยกเอาธรรมะข้อที่สี่เป็นที่ตั้งอีกสามข้อก็ตามกันมาหมดหรือว่าจะยกเอาข้อที่สามขึ้นเป็นที่ตั้งก็ได้เหมือนกันคือเมื่อจิตนี้เป็นจิตที่ร้าย หรือว่าเป็นจิตที่คิดในทางร้ายเช่นคิดเป็นในเรื่องที่เป็นที่ตั้งของโทสะก็ทำให้ธรรมะอากุศลธรรมกองโทสะบังเกิดขึ้นในจิตเวทนาก็เป็นทุกขเวทนา คือทำให้รุ่มร้อนกายรุ่มร้อนใจกายเองก็วิปริ์ไปตามดังกล่าวหรือจะยกเอาข้อเวทนาขึ้นเป็นที่ตั้งก็ได้เมื่อเวทนาเป็นสุข เวทนานี้เองก็ปรงุงจิตให้ชอบให้ติดในสุขจึงปรากฏเป็นความติดเป็นตันหาเป็นราคะในสุข ร่างกายเองก็ปรากฏทางตาทางหน้าทางกิริยาต่างๆไปตามอาการของกิเลสกองตัณหาราคะดังกล่าวนั้น หรือจะยกเอาข้อที่หนึ่งคือกายขึ้นเป็นที่ตั้งก็ได้คือเมื่อกายนี้ได้สัมผัสทางกายกับสิ่งที่เป็นที่ตั้งของสุข ก็เกิดสุขเวทนาสุขเวทนาก็ปรุงจิตให้เป็นตัณหาราคะในสุขหรือว่าเมื่อกายนี้สัมผัสกับสิ่งอันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ก็เกิดทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ปรุงจิต ให้เกิดโทสะปฏิฆะหุดหงิโดโกรธแค้นขัดเคืองในสิ่งอันเป็นดังของทุกนั้นก็เป็นอันว่าทุกข้อนั้นเป็นต้น